ณโอกาสต่อไปนี้จะได้แสดงพระธรรมเิษานาธรรณาศาสนาดำคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุธทธเจ้าเพื่อเป็นประโยชน์แก่เราพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้เราทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกองการกุศลเพื่ออุทิศถวายพระบูรพาจารย์ บุรพาจารย์หมายถึงอาจารย์ผู้เกิดก่อนเราท่านเกิดก่อนเราท่านบวชก่อนเราท่านสอนเรามาก่อนจึงได้ชื่อว่าพระบุรพาจารย์อันดับของพระบุรพาจารย์ในภาคอีสาน <c oughs> อันดับแรกท่านอริยกวีอ่อน ได้ไปอุปสมบทในสำนักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ซึ่งสมัยนั้นพระองค์ยังอุปสมบทอยู่ยังไม่ทรงลาผนวดออกมาครองเมือง <c oughs> แล้วท่านผู้นั้นก็ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมเรียนรู้พระธรร ม, มวินัย <c oughs> แล้วก็นำ ธรรมวินัยซึ่งถอดแบบจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สีไปประดิษฐานคณะพระธรรมยุทธ์ลงที่วัดศรีทองจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อเส้นบุญบา ร, รมีของท่านอริยะกะวีอ่อนก็ตกทอดมาถึงท่านพันธุระ เติ่งเป็นสหธรรมิม่ของท่านถัดจากนั้นก็มาถึงยุคของประเดชพระคุณเจ้าพระคุณอุบารีคโคโนปมาจารย์ิริจันโทจันจะพระคุณอุบาลีคโคโนปมาจาริจท่านบริหารกิจการประสาทศาสนาทั้งฝ่ายปริยัดและทั้งฝ่ายปฏิบัติ ภาสากฎหมายพันธธุระและวิปัสนาธุระพัน ธ, ธุระมีหน้าที่จัดการบริหารปกครองคณะสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้ตราเป็นกฎหมายสงฆ์ขึ้นมาเรียกว่าพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และก็จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมคือสอนรัรรมสอนบาลีสอนทางการปฏิบัติทุดงกรรมฐานพระคุณเจ้าพระมหาเถระรูปนี้เรียกว่าเป็นพระเถระที่ครบเครื่องมีทุกอย่าง ถ้าจะพูดถึงจานวนบวหารของพระของท่านท่านเป็นผู้ชนิชนานานอกจากจะชนานาญในหลักวิชาการทางศาสนาแล้วเป็นแล้วยังเป็นนักกวีแต่งกรอนแต่งโครงอ่านแล้วฟังซาบซึ้งอาตมายังได้จำคำสอน ซึ่งเป็นคำกรอนของท่านท่านว่าเป็นภาษาหยิสานท่านบอกว่ากรรมาฐานโจกแก้วแถวท้ำบอ่อเตียงต่อกรรมาฐานพ่อบ่อมาขี่ให้มูเหมน็นข้าก็เรื่อมันแล้วกรรมาฐานหมูเทือนได้อาหารอ็นทองนอนมุ่งนางทำอันนี้จำติดตาติดใจบ่เลิมจะเืิอ เราเอกอันหนึ่งท่านว่าอัศจรรย์ปาลาไหลรหลาดนาอานาฏหนีนายบ้างสมโพเป็นสมสืบล่อลงบอ่อหม้ออ้าวมาถึงยกผูเป็นสมสืบล่อลงบอ่อหม้อแล้วกรมังอาจจะมาไปเยี่ยมไขรหลวงปู่ฟันก่อนหน้าที่ท่านจะมรณภาพ เพียงสามวันเท่านั้นเองท่านกำลังนอนคุมปองอยู่พอไปกราบท่านแล้วก็บอกมือห้ามพระไม่ให้ลบกวนท่านท่านก็บอกว่าเอาลบเอาลบเอาลบถึงสามครั้งพละขัดไม่ได้ก็พระ ย, ยุงท่านลุกขึ้นมา พอท่าลุกขึ้นมาแล้วพอท่านมองเห็นมือสันสนยกขึ้นมาอย่างนี้นี่อะไรครูบาอาจารย์ก็ถ่ายทอดให้หมดแล้วทําเก่งด้วยเสียได้ยอย่างเดียวมันยังขี้เกียจอยู่เท่านั้นต่อไปขยันขยันเข้าหน่อยกรรมฐ า, านในสายนี้ถ้าหมดรุ่นพวกเธอแล้วมันจะหมดนะ คำโพดของครูบาอาจารย์นด้ย่อมเป็นประกาศสิ์พูดคำไหนเป็นคำนั้นวันนี้จึงได้นำคำเตือนของครูบาอาจารย์มาเล่าให้สู่ท่านทั้งหลายฟังเพื่อเราจะได้จดจาเอาไว้ว่าครูบาอาจารย์บอกว่ากรรมาฐานในสายนี้หมดรุ่นพวกเธอแล้วมันจะหมดนะจะไม่มีใครสืบต่อ ต่อไปขยันขยันเข้าหน่อยอันนี้เป็นคำเตือนของหลวงปู่ฟันส่วนในเหตุการณ์ปัจจุบันนี้จะมีอันเป็นไปอย่างไรนั้นไม่ค่อยได้สนใจเกิดมาเป็นหลวงพ่อหลวงพี่ไม่เคยหวั่นวิตกว่าใครเขาจะลงนลกรกเพราแต่ตัวเองจะลงนรก เราดูหน้าใครแล้วก็ไม่เหมือนหน้าพ่อหน้าแม่เราสักคนใครจะสร้างบาปกรรมลงนรกเราก็ไม่อัศจรรย์เราจะสร้างแต่ความดีสร้างแต่ความดีถ้าไม่สําเร็จมรรคผลนด้ผ่านตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์สมบัติบนสวรรค์เป็นของเราคนเดียวหมด นางฟ้านางเทวดาไม่มีใครแย่งอ ย, อยู่ในเมืองมนุษย์นี่มันอับปรย์จันไรเพียงจะเป็นสมพาน์มันยังมีผู้อยากมาแย่งเป็นใหญ่ให้ลองคิดดูสิยตดโยดทั้งหลายพราะฉะนั้นได้โพส์มาถึงตอนที่ว่าเจ้าพระคุณอุบารีคุณโอปรามาจยา์ เป็นพระเถระที่ทรงคุณพุทธที่ทั้งฝ่ายคันาธาโุละและวิปัสนาโุละเจ้าพระคุณุบาลีคุคโนปมาจารทำหน้าที่สองทางสอนหนังสือธรรมะสอนรักธรรมสอนบาลีสอนจนกระทั่งสมถกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานเป็นนักปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม ขณะดขึ้นนั่งบนธรรมะพอขยับตัวขาหักยังนั่งเทศเฉยเอาสิจกนกระทั่งเทศจบแล้วไม่ยอมลงธรรมะอา้าวระเด็จพระคุณทำไมไม่ลงธรรมะสัก ท, ทีมันจะลงได้อย่างไรล่ะขาหักแล้วดูสิถ้าเป็นอย่างเราจะว่ายังไงขาหักทั้งขานี่ไม่ร้องโอ้ยโอ้ยเลย นี่แสดงว่าคุณสมบัติความเข้มแข็งของจิตใจของนักต่อสู้เช่นเจ้าพระคุณบาลีคุณโอปะมาจารย์เนี่ยหาได้ยากที่สุดในโลกนี้ท่านผู้นี้แหละท่านมีโรกเสธิ์สององค์องหนึ่งคือสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติดสมมหาเถระ ตอนนี้มาแยกสายกันสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ติดสมหาเถระเป็นผู้รรทำธุระในฝ่ายพันธาธุระแล้วโลกเศรเอีองค์หนึ่งคือพระเดชพระคุณหลวงปู่เสวกันตะสีโลหลวงปู่เสวกันตะสีโลนี่ทำหน้าที่เฉพาะฝ่ายปฏิบัติฝ่ายเดียว พระทุดงในภาคอีสานที่ออกเดินทุดงไปตามหัวเมืองน้อยเมืองใหญ่ตามป่าตามชนบทเป็นองค์แรกเท่าที่รู้มาคือหลวงปูเ่เสากันตะสีโลหลังจากที่ท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วประมาณหกพันศาก็มาได้ลูกศิษย์องค์สำคัญคือพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต ราอาจารย์มั่นู้ริทัตโตนี่เป็นกำลังสำคัญถ้าจะเปรียเพียบผู้สอนหนังสือหลวงปู่เสาสอนได้เฉพาะแต่ระดับปถมและมัธยมแต่หลวงปู่มั่นสอนถึงระดับมหาวิทยาลัยจนถึงปริญญาเอกโลกิทธิ์ที่แรกหลวงปู่มั่นมาเรียนกรรมฐานกับหลวงปู่เสา แต่บนบา ร, รมีของหลวงหลวงปู่มั่นนั่นบนวาสนาของท่านมีปฏิภาณรวดเร็วการปฏิบัติธรรมก้าวหน้าได้ดีแล้วลงผลสุดท้ายขั้นสมถะพระอาจารย์เสาสอนพระอาจารย์มั่นขั้นวิปัสนานี่พระอาจารย์มั่นย้อนกลับมาสอนพระอาจารย์เสา อาจารย์กลับเป็นลูกศิษย์โรคศิษย์กลับเป็นอาจารย์แต่ท่านก็ยังมีความเคารพต่อกันอย่างสุดซึ้งซึ่งหาความเคารพของพระภิกษุสามเณรปัจจุบันนี้มีแต่ต่อครูบาอาจารยนะ์จะเปรียบเทียบอย่างท่านไม่ได้เลยแม้ว่าท่านจะเก่งกว่าอาจารย์ในทางภูมิจิตภูมิธรรมท่านก็ไม่เคยลบหลู่ดูหมิ่นอุปชาอาจารย์ของท่าน ขาวลปณิบัติอยู่จนกระทั่งมรณาภาคตายจากกันไปอันนี้คือจุดเริ่มของพระธุดงกรรมฐานในสายภาคดีสันจยูมาภายหลังฟอมมาได้ลูกติดคือพระอาจารย์มั่นเป็นกำลังสำคัญมาภายหลังพระอาจารย์สิงหันตยาขโมหลวงปูด่ดลอาโตโล ไปเรียนหนังสืออยู่ที่วัดสุทัศน์จังหวัดอุบลราชธานีพอดีในพรรษานั่นพระอาจารย์มั่นไปจำพรรษาที่วัดบูรพาซึ่งอยู่ในเมืองเดียวกันไม่ทราบว่าเป็นพ่อโสเท่าไหร่ทีนี้พระอาจารย์ดุลอตโลกับพระอาจารย์สิงขันตยาขาโมนี่ เวลาว่างจากเรียนพระปริยัติธรรมว่างจากการสอนหนังสือเมื่อก่อนในโรงเรียนท่านปถมได้อยู่ในวัดพอตกตอนค่ำก็ไปเฝ้าพระอาจารย์มั่นไปเรียนกับรรมาฐานไปฟังเทศฟังธรรมพระอาจารย์มั่นในทางปฏิบัติสมาธิสมถภ า, าวนา แล้วมาปฏิบัติตามเกิดผลจิตสงบเป็นสมาธิมีสภาวะรู้ตื่นเบิกบานมีปิติมีความสุขทั้งสองพระองค์ท่านก็เลยตัดสินใจเลิกเรียนปริยัติธรรมติดตามพระอาจารย์มั่นไปเป็นลูกติดเดินทวดงไปทั่วภาคอีสานไม่ทราบว่าเริ่มต้นแต่เมื่อไหรจําได้ว่าเคยไปกราบพระอาจารย์มั่นในงานศพอาจารย์สน ที่วัดบันหนองดิดดำตอนนั้นอาจจะมาอายุเพียงแปดขวบแต่ไม่ทราบว่าเป็นปีพศเท่าไหร่คงจะประมาณเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองอยู่ในระยะนี้ทีนี้ในเมื่อได้หลวงปู่ดลและพระอาจารย์สิงห์มาเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์สิงห์นี่ถ้าเจ็บเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่าเป็นเสนาธิการทหารบกทหารอากาศทหารเรือ เป็นกำลังในการเผยแพร่พระธรรมวินนยในสายพระธุดงค์กรรมฐานเริ่มจุดตั้งแต่จังหวัดสกลนครนครพ น, นมอุบลราชธานีจังหวัดเลยจนกระทั่งไปถึงเชียงใหม่จนกระทั่งมีโกคเศรษฐโูกขาตั้งวัดตั้งวากันมากมายตลายกอง เมื่อก่อนวัดคณะธรรมยุทธ์ในประเทศไทยมีเกือบจะไม่ถึงร้อยวัดแต่เวลานี้เรามีวัดคณะธรรมยุทธ์มากมายก็เพราะก็เนื่องจากผลงานของพระเถระทั้งหลายดังที่กล่าวมาเมื่อสมัยที่เป็นสามเณรเด็กๆไปทุดงเดินตามหลังครูบาอาจารย์ผมผ้าจีวรนดำๆไปที่ไหนเพื่อนเขาถุยน้ำลาย อาจารย์บางองค์ท่านไปโซดงท่านชอบออกในเขาไม่ทีเดินตามหลังไปด้วยเดินไปห่างๆเจไดชาวไร่ชาวนาเขาไม่เคยเห็นพระแบบกดตะภายบาทแล้วเขาก็ตะโกนถามเจ้าคู่เออจะพาลูกพาเมียไปสร้างวัดบ้านสร้างเบื้องที่ไหนนาะเขาว่าอย่างนี้ด็พาเจวรนดำๆอย่างที่เห็นอยู่นี่เมื่อก่อนนี่เดินไปที่ไหนเขาถุยน้ําลาย จะมาปัจจุบันในผ้าจีวรดำนี่กลับมีราคาเชยดที่อจะมาไม่ได้เอาจีวรฝืนที่เคยหมแล้วโดนเขาด่าแล้วเขาถุยน้ำลายลาดเก็บไปเป็นอนุสรเอาละเอากันเพียงแค่นี้ปูดมากไปเดี๋ยวมันจะออกนอกลูกนอกทาง <c oughs> ก็เป็นอันว่าเราจะนับอันดับของพระธุดงค์กรรมฐาน ซึ่งเป็นผู้นาในการเดินทุ้ดงในป่าในเขาเนี่ยอันดับหนึ่งหลวงปู่มั่นอันดับหนึ่งหลวงปูเ่เสาอันดับสองหลวงปู่มั่นอันดับสามหลวงปู่สิงอันดับสี่หลวงปู่ขาวหลวงปู่ชอบหลวงปู่ปั่นหลวงปู่มั่นเป็นเอกครูบาอาจารย์ท่านว่าล้นของพวกอาตมานี่เป็นอันดับห้า แล้วก็ยังเป็นห่วงไมตกอยู่ที่ครูบาอาจารย์ท่านทักว่าต่อไปนี้กรรมฐานั้งหมดรุ่นพวกเธอแล้วมันจะหมดอันนี้ขอฝากให้เพื่อนสหธรมิกและญาติโยมทั้งหลายเอาไว้พิจารณาเอาละ ว, วันนี้เรามาทำบุญุที่ถวายพระบุรพาจารย์บุรพาจารย์ได้ทราบแล้วว่าบุรพาาจารย์ของเราเป็นนักปฏิบัติกรรมฐาน ปฏิบัติกรรมฐานก็คือนั่งสมาธิภาวนานั่นเองดังนั้นเพื่อเป็นการล้ำลึกถึงพระบุรภาจารย์ของเราอาจจะมาจึงขอเชิญท่านทั้งหลายเตรียมนั่งสมาธิการสอนสมาธิภาวนาตามแบบฉบับของพระอาจารย์เสาพระอาจารย์มัน ท่านให้เริ่มต้นด้วยการภาวนาพุทโธเคยได้ยินหลวงปู่เสาเมื่อมีคนมาถามหลวงปู่เสานั่นเขาเรียกว่าญาทานญาท่านนี่เป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่เขาเคารพนับถือ เวลาผู้สนใจในการปฏิบัติสมาธิภาวนาเขาจะไปถามว่ายาท่านอยากจะภาวนาทำอย่างไรโพธิโทซีภาวนาพูดโทแล้วมันจะได้อะไรดีขึ้นอย่าถามโพธิโทแปลว่าอะไรถามไปทำไม ฉันให้ภาวนาพโพธิ์แค่นี้เป็นอันจบ ก, กันเทศหลวงปูเ่เสารทีนี้เมื่อเราหัดภาวนาเป็นหน่อยปัญหามันก็เกิดขึ้นว่าทำไมหลวงปู่เสารจึงสอนให้ภาวนาพโพทโธ ก็มาได้ความว่าโพธโทแปลว่าผู้รู้โพธโทแปลว่าผู้รู้ผู้รู้นี่เป็นภาษาภาคกลางแต่ภาษาอีสานเขาเรียกว่าผู้ฮู้โูโฮู้นี่คพอผู้ไม่ดือ ผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ยึดมั่นในคุณพระรัตนใจคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะอย่างเหนียวแน่นแล้วก็สำรวมละบาปกรรมตามกฎของศีลห้าไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนไม่คมเหงไม่รังแกไม่อิจฉาตาร้อนกายวาจาสกบท่านเรียกว่าผู้หูคือผู้ไม่ดือ้อ ในในภาษาภากยกลางเขาว่าผู้รู้ผู้รู้ก็คือผู้รู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีเมื่อมีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีก็ปลายเป็นผู้ไม่ดื้อนั่นเองเพราะฉะนั้นหลักการปฏิบัติเพื่อความเป็นผู้ไม่ดื้อนี่เราจะทำอย่างไร ขอให้พิจารณาหลักฆ่าประการคือศีลห้าที่ได้สมทานมาแล้วนั่นแหละคือกฎเกณฑ์ที่ฝึกอบรมจิตใจของเราไม่ให้เป็นผู้ดือ้อทีนี้เมื่อกายก็ไม่ฆ่าไม่รักไม่ดื่มน้ำดองของเมาวาจาก็ไม่โกหกไม่พูดสอเสียด ไม่พูดเพืเจอเลวไหลไม่พูดโยยอายุโ ย, ยงส่งเสริมให้ใครต่อใครก็แตกสามาชีกันในเมื่อเราปฏิบัติได้เราก็เป็นผู้รู้คือเป็นผู้พู้นั่นเองเพราะฉะนั้นเหตุผลที่พระอาจารย์เสาให้ภาวนาพูทโทก็เข้าใจว่าจะเป็นอย่างนี้ที่นี้พูดโทแปล ว, ว่าผู้รู้แปล ว, ว่าผู้ตื่น แปลว่าผู้เบิกบานรู้ด้วยความมีสติสัมปชัญญะเตื่นอยู่ด้วยความมีสติสัมปชัญญะเบิกบานอยู่ด้วยความมีสติสัมปชัญญะเมื่อทุกคนมีสติสัมปชัญญะเตรียมพร้อมอยู่ที่จิตตลอดเวลา สติวินณโยสติเป็นผู้นำผู้ที่มีสติเป็นผู้นำยอมเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีเมื่อทรงไว้ซึ่งความรู้สึกเช่นนั้นก็ได้ชื่อว่าทรงไว้ซึ่งพระธรรมคือพระธรรมที่ทำจิตของเราให้เป็นพุทธะผู้รู้นั่นเอง เมื่อทรงไว้ซึ่งพระธรรมโดยธรรมชาติของผู้ที่มีคุณธรรมในจิตในใจมีสติสัมปชัญญะเตรียมพร้อมเขาจะต้องตั้งใจให้แน่วแน่แนอยู่เสมอว่าฉันจะละความชั่วประพฤติความดีทำใจให้บริสุทธิ์สะอาดอยู่เสมอนี่คือเหตุผลที่พระอาจารย์เสาสอนให้ภาวนาผู้ผู ทีนี้ในเมื่อเรามีผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีสติเป็นผู้นําถ้าว่าใครจะสงสัยต่อไปอีกว่าภาวนาอย่างอื่นได้ไหมได้ได้เหมือนกันหลักของการภาวนาอยู่ที่การทําจิตให้มีสิ่งรู้สติมีสิ่งละลึกจะเป็นอะไรก็ได้ไม่จะพอแต่ที่เราจะมาเถียงกันผูท้ทอสัมมารหังยบหนอพองหนออยู่นี่เสียเวลาเปล่าเปล่า ถาจะถามว่าภาวนาพุโทโธดีไหม ย, ยบหนอพองหนอดีไหมสัมมาระหังดีไหมพระองค์นี่ขอตอบว่าดีหมดที่ดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่การสงสัยข้องใจการลังเลการติดตัดสินใจไม่แน่และการทำไม่ถึงพอภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปว่ามันจะได้ไหมเนอะสำเร็จไปเนอะ อาจารย์องค์นั่นยังว่าพุทโธนี่ได้แต่สมถะไม่ถึงวิปัสนาเดชแล้วภาวนาพุทโธไปนี่มันจะไม่เสียเวลาหรืออ้าวถ้ามาสงสัยอย่างนี่จ้างอีกต่อให้อายุเยินแปด0มืนปีมาภาวนาด้วยความขล่องใจสงสัยท่านจะไม่บรรลุผลสำเร็จอะไรเลย อา จ, จมาขอบอกว่าภาวนาโพธโทก็ดีสัมมาระหังก็ดียหนอพองนอก็ดีขอให้เอาจริงซะอย่าง้าไม่เอาจริงแล้วทำด้วยความค้่องใจสงสัยลวนแรอยู่อย่างนี้ต่อให้มีอายุเยืนตั้งแปดหมืนปีภาวนาไปเถอะไม่มีทางได้สำเร็จ เพราะฉะนั้นจึงขอเตือนว่าใครจะท่องคําไหนเป็นคําภาวนาเอาให้มันแน่วแน่ไม่เฉพาะแต่ยบหนอพองหนอสัมมาระหังพโพธทดอกที่น้องเอ๋ยขนาดําภาวนาเยซูเยซูเยซูเยซูก็ยังสามารถทําจิตให้สงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานได้ สินงในพวกที่เกียท่องภาวนาหน่อยกำหนดสตโรเจตของตอนเองเฉย้อยู่ถ้าเจตมันนิ่งอยปล่อยให้มันนิ่งไปถ้ามันคิดปล่อยให้มันคิดไปถ้ามันว่างปล่อยให้มันว่างไปเราเอาสติตัวเดียวเป็นที่ตั้งสติกำหนดโลจิตเรียกว่าอะไรในหลักกรรมฐานเรียกว่าอะไร สติกำนดรู้จิตในหลักกรรมฐานเรียกว่าจิตตานุปัสสนาการกำนดสติตามรู้จิตถ้าจิตนิ่งก็รู้จิตเคิดก็รู้จิตเดือดร้อนวุ่นวายก็รู้จิตสงบสุขสบายก็รู้เมื่อเรามีสติกำนดจิตแล้วเรารู้หมดทุกอย่างภายในจิตของเราแล้วปฏิบัติแบบนี้ก็สามารถที่จะทำให้ได้สมาธิรู้ทำเห็นทม พราะฉะนั้นเพื่น้องทั้งหลายเอ่ยเรื่องหลักและวิธีการภาวนานี่เลิกเลิกเถียงกันเสื่เถอะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าตอนที่พระองค์สแสวงขาโมกกระทั่งแสวงหาทางตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่นั่นก่อนหน้านั่นคําว่าพทโพธโกก็ไม่มีสัมมาระหังก็ไม่มียบหนอพองหนอก็ไม่มี แล้วพระองค์เอาอะไรมาเป็นอารมณ์ท่องภาวนากรรมฐานลองคิดให้ดูสิพโพธทสัมมาหังยบหนอพองหนอเป็นคุณสมบัติของพระพุทธเจา้าแต่พระองค์เดียวเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดสมเด็จองชายสิทธัตถะเอาอะไรคำใดมาท่องลองคิดดูเข้าใจว่าพระองค์จะจนปัญญาเหมือนกัน เพราะว่าพระองค์ไปภาวนาท่องมนในสำนักฤาษีมามอดทุกสำนักแล้วในประเทศอินเดียไปที่ไหนก็ให้ท่องใจมนไปที่ไหนก็ให้ท่องแต่ม น, น, อมนพอไปนั่งภาวนาเข้าอมพระศิวะอมพระ น, น, นุ่นอมพระนีดพระพรหมพระอะไรต่อมีอะไรแล้วทีนี้ไปภาวนาแบบท่องมนนั่นจิตของพระองค์ก็สงบได้สมาธิได้สมาบัติ แต่มันไม่ใช่ทางแห่งการตรัสรู้ทีนี้ในเมื่อทุกจริงทุกอย่างพระองค์ท่องมาหมดแล้วพอพิจารณาเห็นว่าละที่ิการปฏิบัติของท่านทั้งหลายเหล่านั้นมันไม่ใช่ทางที่จะให้ตรัสรู้ไอนอนที่พระองค์ประสูตจากพระคันของพระมารดาไม่กี่วันท้าปิดาทมพิธีแรกนาฝัน พระเพรื่งนางนมผูกพระโอ๋ให้บรรทมอยู่ใต้สนว่าในขณะที่ชาวบ้านเขาพากันสนุกเพลิดเพลินเกี่ยวกับการากับพิธีการแลกนาคันเขาทั้งหลายก็ทอดที่งให้พระองค์ทรงบรรทมอยู่ใต้ลมว่าในพระโอ๋ใต้ล่มว่าแต่พระองค์เดียวแล้วในขณะนั้นแหละพระวิสัยของพระสัพพันธ์อยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเอง สมาธิพระองค์เคยปฏิบัติมาแล้วตั้งแต่ชาติปางก่อนพาล็อกตัวเล็กๆนอนอยู่ในอูสามารถภาวนาเป็นพระองค์กำหนดพระสติูลลมหายใจเข้าหายใจออกในว่าได้บรรลุปฐมมชานโคภาวนาได้บรรลุปฐมมชานนี่มันเป็นอย่างไรเจตสงบนิ่ง โลอยู่กับลมหายใจการที่จิตสกบนิ่งรู้อยู่ที่ลมหายใจไม่ทอดทิ้งลมหายใจลมหายใจไม่ได้ละจากจิตจิตไม่ใจไม่ไม่ไมไมไมเละละจากลมหายใจอารมณ์กับจิตคลมเกลือนกันสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกันไม่แยกจากกันอันนี้เรียกว่าวิตกัก ร r a s a t e s a m b h a ญ c ญที่ประครับประคองจิตให้รู้อยู่ที่ลมหายใจเรียกว่าวิจาร์เมื่อสมาธิมีวิตกวิจารสมาธิมีอารมณ์เป็นสิ่งรู้สติมี ส, มสติมีสิ่งระลึกย่อมสามารถที่จะทาให้จิตมีพลังงานเพิ่มขึ้นคือความมั่นคงได้แก่สมาธิสติสัมปชัญญะแน่วแน่ เมื่อเป็นเช่นนั้นก็มีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งจิต้อยู่ที่ลมหายใจนี่พอพระองค์มาทรงลำลึกถึงในตอนนี้พระองค์ก็พบต้นอ้อทันทีอ้อมันอยู่ที่ตรงนี้เองพระองค์ก็ตีความหมายว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้บรรลุมรรคผลนิพพานกันจริงๆนี่ ต้องพยายามศึกษาให้รู้ธรรมชาติและกฎธรรมชาติธรรมชาติคือกายกับใจของเราหรือกายกับจิตจิตกับกายธรรมชาติของกายย่อมหายใจมีลมหายใจเท่านั้นเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงถ้าหยุดหายใจเมื่อไหรตาย ลมหายใจที่ว่าเป็นธรรมชาติก็เพราะว่าเราตั้งใจหายใจก็หายใจอยู่ไม่ตั้งใจก็หายใจอยู่นอนหลับแล้วก็ยังหายใจจึงชื่อว่าเป็นธรรมชาติของร่างกายส่วนเจตเนี่เราจะตั้งใจคิดก็คิดไม่ได้ตั้งใจคิดก็คิดแม้แต่นอนหลับแล้วก็ยังคิดคือต้องฝันไปอันนี้คือธรรมชาติซึ่งมีอยู่ในกายกับใจของเรา เมื่อเป็นเะนั้นเลยเมื่อพระองค์นึกหาคำใดที่จะมาท่องบริกรรมภาวนาหรือท่องมนไม่มีมันจนใจจริ ง, รงๆก็เลยทรงกําหนดพระสติูล้ลมหายใจเข้าหายใจออกเฉยอยู่เท่านั้นทีนี้เมื่อพระองค์มีพระสติกํหนดรูลลมหายใจจิตของพระองค์สงบละเอียดละเอียดละเอียดลงไปเลย ในที่สดวิ่งเข้าไปสงบสว่างอยู่ในถ้ำกลางของร่างกายทำให้พระองค์มองเห็นอวัยวะภายในกายนีทั่วหมดในขณะจิตเดียวซึ่งเรียกว่ารู้อาการสามสิบสองพระสดที่เราที่ที่เราสวดทำวัดสดมนต์กันอยู่ทุกวันนี้อยังเมอเมกาโยุทังปาทัศลาตจจักปริยันโตปุโรนานาปการัสสาสุจิโน เกิดขึ้นก่อนการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระพระองค์กำหนดโลลมหายใจจิตตามลมหายใจเข้ามาสงบนิ่งสว่างในท่ากลางของร่างกายแผ่รัศมีสว่างสวัยมาครอบคุมกายหมดถ้ามองๆองดูอย่างตาเราธรรมดานี่ก็เราจะตกใจนะว่าโอ้ uh, ไฟ <c oughs> ลุกไหมพระเพราะมันแสงสว่างมันออกมารอบกาย ถ้าเราเห็นอย่างธรรมดาเราจะตกใจอุ้ยไฟไหม้พระตายแล้วพรเดียวก็วิ่งหาน้ําไปดับอันนั้นคือรัศมีของจิตของพระองค์ที่พุ่งออกมารอบกายเมื่อจิตไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในถม้มกลางของร่างกายจิตสงบละเอียดละเอียดละเอียดลงไปสลีละน้อยละน้อยาในที่สุดร่างกายหายขาดไปปุ๊ยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยลอยเด่นอยู่ แต่ตอนนี้ยังไม่ได้สาเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเด้ยเป็นแต่เพียงว่าเจตเข้าไปอยู่ในฌานขั้นที่สี่เรียกว่าจะตุถัชฌานพอไปถึงฌานขั้นที่สี่แทนที่จะไปอากาสานัญจายัตนาวินยานัญจายัตตนาอินจัญญายตตนาเนวสัญญานาสัญญายตนะตามคำเพีของพวกพลามพอขยับจะออกจากฌานที่สี่ เจตของพระองค์วอกเข้าไปเข้านิโรธสมาบัติซึ่งเรียกว่าสัญญาเวทยยตานิโรธสัญญาเวที่เจตทายตานิโรธนี่แหละเป็นฐานสร้างพลังงานเพื่อกระโดดขึ้นไปสู่ภูมิธรรมขั้นโลกุจละพ้ะเข้านิโรดนี่มันเป็นอย่างไรเจตอยู่ในนิโรธสมาบัติมันเป็นเจตเล็กนิดเดียวแทบจะไม่รู้สึกตัวแต่มันก็ยังมีอยู่ ทีนีในเมื่อจิตของพระองค์มีพลังพร้อมแล้วก็บเบงบานออกมาอีกทีหนึ่งแผ่รัศมีครอบคลุมจั ก, กรวาลทั้งหมดไม่มีอะไรจะปิดบังดวงจิตของพระองค์ได้ทำให้พระองค์ตรัสโลเป็นโลกับวิถุคือว่าในขณะจิตเดียวนั่นแหละจิต้อยเด็นสวาง ม, มองลงไปกับโน้นเห็นนรกอยู่ตรง อ้าวมามองสํารวจดูกลางๆเนี่ยโอ้ดีไปแต่มนุษย์แต่สัตว์เต่ละฉานมองขึ้นเนื้อหัวไปโลีเห็นแต่เทวดาเต็มไปหมดเลยอันนี้เรียกว่าตรัสโลเป็นโลกบิธูผู้รู้แจ้งโลกคือโลกโลกโลกพูดปีปีศาสตร์โลกโลกเปรตโลกอสุรากายแล้วก็มาโลกมนุษย์แล้วก็โลกเทวดาอินทร์สมตั้งหลายเต็มไปหมด รู้ในขณะเจ็ดเดียวและในขณะเจ็ดเดียวนั่นแหละพระองค์ก็สามารถรู้ในทีว่าสัตว์ทั้งหลายนี่มันมีประเภทต่างๆกันสิ่งที่มีชีวิตมีกายกับใจเนี่ยอ้าพอมองลองมาไอหมอนี่ทําไมมันสองขาวะางอ้ยหมอนั่นทําไมมันสี่ขาว้างมีหางด้วยอุย้ยหมอนั่นทําไมมันไม่มีแข้งมีขามันลื่อยไปตามเพื่อนเดิน อันนี้มันเป็นไปเพราะอะไรเจดของพระองค์รู้อยู่ในทีว่ากฎของกรรมแล้วก็สามารถรู้ต่อไปอีกว่าทําไมสัตว์ทั้งหลายมันจึงทํากรรมต่างๆกันและไปเกิดในพราะโพมต่างๆกันเพราะอาศัยอวิชชาคือความรู้ไม่จริงธรรมดาที่เรารู้ไม่จริงเนี่ยเราจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เราเข้าใจว่ามันถูกต้องแต่สิ่งที่เราเข้าใจว่ามันถูกต้องนั่นแหละแต่มันผิด ศีลธทําตามหลักของธรรมชาติในเมื่อทําทลงไปแล้วมันก็ได้รับผลของกรรมรับผลของกรรมแล้วก็เกิดอีกเกิดเอ ก, ก็มาอาศัยกิเลสตวัวเก่านั่นแหละทํากรรมแล้วทํากรรมอีกเวียนว่ายตายเกิดจนได้วัฏสงสารไม่รู้ จ, กจักจบจักสิ้นเรื่องโปแพนี่ว่าสารุตติยานจโต ป, ปาปาจยานอาสวัคคายานพระองค์ตรัสสรู้ในขณะจิตเดียวตั้งแต่ปฐมมายาม แล้วก็ตรัสโลในขณะที่เจตอยู่ในสมถะกรรมฐานเจตอยู่ในสมถะกรรมฐานเนี่ท่านเคยเจอหรืยอย่างท่านรักภาวนาทั้งหลายเจตอยู่ในสมถะกรรมฐานขั้นสูงสุดเจตมันไปอยู่ตรงที่ร่างกายตัวตนไม่มีถ้าเจตของท่านผู้ใดเดินเข้าไปสู่ภรมสมถะกรรมฐานอย่างแท้จริงจะรู้ว่ามีแต่เจตของตัวเองดวงเดียวเท่านั้น สวางสวัยอยู่เหนือจั ก, กรวาลจะมีความรู้สึกคล้ายๆว่าในจั ก, กรวาล น, นี้มีแต่จิตเราดวงเดียวเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันหายหมดอันนี้เรียกว่าสมาธิขั้นสมถะอันสูงสุดเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายใครอย่าไปบังอาจกล่าวนะว่าสมาธิขั้นสมถะไม่เกิดภูมิความรู้ พระพุทธเจ้าสรัสลุในขณะที่เจตจูในสมถะกรรมฐานแท้แต่ความรู้ความเห็นในภูมิของสมถะกรรมฐานนี้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นรู้เห็นเฉยแต่โทษไม่เป็นเหมือนคนใบ้ทำไมจึงคิดแลือโทษไม่เป็น เพราะว่าในขณะนั้นร่างกายไม่มีมีแต่จิตอันเป็นนามธรรมอย่างเดียวเจตนี่มีแต่ตัวจิตอย่างเดียวสามารถรู้เห็นได้แต่คิดไม่เป็นเพราะไม่มีเครื่องมือเครื่องมือที่จะช่วยให้เราเกิดความคิดนี่มันอยู่ที่ประสาทสมองนี่โยมเท่าไหร่แ่ในเมื่อจิตของพระ อ, องค์ไปตัดสโลเป็นโลกวิโทแล้ว เมื่อย้อนกลับมาสัมพันธ์กับร่างกายอีกครั้งหนึ่งพอรู้สึกว่ามีกายเท่านั้นจิ <c oughs> ตดวงนี้จึงได้ปฏิวัติตัวไปพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นซ้ำเติมอีกทีหนึ่งเรียกว่าเจริญวิปัสสนาพระองค์พิจารณาเรื่องปกเทนิบาสานตติยานนี่คือการละลึกชาติผลหลังได้ เจอและเลิกได้ว่าชาติปอนที่เราจะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้านี่เราเป็นพระเวสสันดร่อนจะมาเกิดเป็นพระเวสสันดรเป็นวิธูแลบัณฑิตหรือเป็นมโหสถบัณฑิตตามลํำดับที่พระองค์ได้เวียนว่ายตายเกิดมาอันนี้เรียกว่าโอเปนิวาสานุตติยานยานและลิกชาติหนหลังได้พระองค์พิจารณาทบทวนแล้วมันจบลงในปฐ ม, มยาม ทนพอพิจารณาเรื่องภูเพนิวาสานุสติยานจบลงในปฐ ม, มยามก็มาพิจารณาเรื่องการจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกฎของกรรมจบลงในมัดทิมายามไอคําภาสิตที่วา่ากรรมมังสเตวิพัชติกรรมย่อมจําแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างๆกันเกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยนั้น เมื่อพระองค์พิจารณาเรื่องนี้จบลงไปแล้วก็มาพิจารณากิเลสอันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์ทั้งหลายต้องทรรํากับคืออวิชชาความรู้ไม่จริงที่นี่พระเจ้าผู้สร้างมนุษย์นี่คืออวิชชาความรู้ไม่จริงกิเลสตัวนี้แหละเป็นผู้สร้างมนุษย์กิเลสตัวนี้แหละเป็นผู้สร้างสัตว์ เกเรตัวนี้แะลรเป็นผู้สร้างผู้ผีปีศาจเปรตอสุรกายเพราะอาศัยความรู้ไม่จริงมันจึงทำกับไปตามที่ตนชอบใจเมื่อทำไปตามที่ตนชอบใจแล้วมันก็ได้รับผลของกรรมได้รับผลกรรมแล้วก็บังเกิดบังเกิดได้พบภูมิต่างๆกันเพราะฉะนั้นพระองค์จึงมีคำเทศว่ากรัมสติวิพัตติกรรมย่อมจาแนกสัตว์ให้มีประเภทต่างกัน อันนี้พระองค์พิจารณาจบลงในปัจฉิมยามในเมื่อพิจารณาจบลงไปแล้วเจตยอมรับสภาพความจริงอรหัรรมะขยานจึงบังเกิดขึ้นแล้วก็ตัดกิเลสอาสวะขาดสะบั้นไปในปัจในปัจฉิมยามคือจวนใกล้ลุกจึงได้พระนามว่าอรหังสัมมาสัมพุ ท, ทธ佛ระวาตพระพระู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเถรตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองที่เราเอามาคํามาเป็นคําไหว้พระอยู่ทุกวันนี่อรหังซัมมาซัมมุตโตภะคะวาอันนั้นมันเกิดขึ้นตอนที่พระพุทธองค์ตรัสรู้เนี่ยการตรัสรู้ของพระองค์เนี่ยการตรัสรู้นี่ยังไม่ได้เป็นพระอหรหันต์ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะกิเลสยังไม่หมด พระองค์ตรัตชโลตั้งแต่หัวค่ำแต่มาเป็นอรหันต์ในเมื่อโจรสว่างอย่าโจรทั้งหลายความแตกต่างของศาสนาโย่ทกฎหรือระเบียบที่ศาสตราแต่ละองค์บัญญัติขึ้นตามที่ตนเห็นว่าถูกต้องแต่การตรัตชโลของแต่ละศาสตรานี่ต่างกัน บางศาสดานอนหลับหรือเกิดเหตุบังเอิญแล้วมีคนหลงเชื่อวิ่งไล่ตามหลังขอเป็นบริวารเมื่อมีบริวารมากก็ตั้งเป็นศาสนาทีนี่ภายหลังก็อาศัยความคิดอ่านของตัวเองหรือสังคมที่เขาชอบใจสิ่งใดทใี่สังคมเขาชอบใจก็บัญญัติเป็นเป็นระเบียบหรือเป็นกฎเกณฑ์ขึ้นมาคล้ายๆกับว่านอนหลับ ฝันไปตื่นขึ้นแล้วก็มาเผยแผ่ศาสนาแต่ศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมันเกิดจากเครี้ยวแรงของวีรับบุรุษที่ยอดเยี่ยมในโลกท่านทั้งหลายที่เคยได้ศึกษาเรื่องพุทธประวัติมาแล้วย่อมทราบดีว่าพระองค์เนี่ยสร้างบารมีมาเพื่อแสวงหาโมกะธรรมหรือเพื่อการจัดสรุปเพื่อนาธรรมสอนมาสอน พวกเราทั้งหลายนี่มันลําบากยากเย็นเพียงแค่ไหนเพราะฉะนั้นเสียงที่พระองค์นํามาสอนเรานี่ที่ว่าฆ่าสัตว์เป็นบาปพระองค์เคยฆ่าสัตว์แล้วไปตกนรกมาแล้วอาศัยที่พระองค์รู้ชาติในอดีตพระองค์ไปเกิดเป็นโน่นเป็นนี่เพราะกรรมอะไรพระองค์ก็รู้มาแล้วซึ่งเรียกว่าได้ลองของมาทุกอย่างแล้ว แล้วก็เอาความจริงที่พระองค์ได้รู้นั่นแหละมาสอนพวกเราดังนั้นธรรมคําสั่งสอนเนี่ยแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งธรรมะเป็นสิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติของพระพุทธเจ้าในแก่กายกับใจมนุษย์สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมเดินฟ้าอากาศตั้งแต่มวลสารที่แรกที่สุดตั้งแต่อโนปรมาน ตลอดทั้งสิ่งที่เกาะกลุ่มกันเป็นก้อนใหญ่โตนี่คือธรรมชาติได้แก่ดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขารถเรือนและสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่ในจักรวาล น, นี้อันนี้เป็นธรรมชาติธรรมชาติอันนี้เป็นอารมณ์จิตของผู้ปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสลูนี่คือรู้ความจริงของสิ่งเหล่านี้ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในจักรวาล น, นี้ แล้วก็โลกกฎธรรมชาติของสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาล น, นี้กฎความจริงของทุกสิ่งที่มีอยู่ในจักรวาล น, นี่คืออะไรคืออนิจจตาความไม่เที่ยงอนัตตทุกตาความเป็นทุกอนัตตาความไม่เป็นตัวของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่เสมอเกิดขึ้นทรงอยู่สลายตัวเกิดขึ้นทรงอยู่สลายตัว สภาวะธรรมทั้งหลายเขาเป็นไปตามกฎธรรมชาติของเขาแล้วทําไมเราเป็นมนุษย์จึงจะต้องไปเดือดร้อนที่ไปเดือดร้อนก็ไม่ใช่อะไรหรอกญาติโยมมนุษย์เรานี่มันมันถ้างงตัวถ้างงตัวว่าตัวเป็นผู้มีใจสูงในเมื่อถ้างงตัวว่าเป็นผู้มีใจสูงแล้วมันก็ก็สําคัญว่าตัวมีผู้เป็นผู้มีอํานาจบาดใจแล้วก็ใช้ เจตของตนเองได้ไปเกี่ยวข้องจะไปบังคับสิ่งที่มันไม่เป็นไปได้ตามความต้องการเช่นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีมันก็มีมันจะเป็นก็เป็นเวลามันตั้งขึ้นแล้วมันทรงอยู่แล้วมันก็สลายตัวในเมื่อเราเกิดไม่ชอบขึ้นมาแล้วก็จะเอาไปบังคับมันให้มันเป็นไปตามใจของเราทีนี้เราบังอาจไปบังคับสิ่งที่ไม่เป็นไปตามใจของเราได้เนี่ยพอมันขัดใจเราพับเราก็เกิดโทมานัตน้อยใจ เกิเสียใจแล้วก็เกิดทุกข์นี่สาเหตุมันเป็นอย่างนี้ที่ในทุกตัวที่มันเป็นไปตามกฎธรรมชาตินั้นเรียกว่าทุกในภัยไตรลักษณ์แต่ทุกที่มนุษย์อวดดีเอาอำนาจของตนเองไปขัดสิ่งที่มันจะเป็นไปไม่ได้แล้วตัวเองก็เป็นทุกข์ทุกตัวนี้คือทุกข์ใจทุกข์ใจนี่เรียกว่าทุกข์อริยสัจอย่าไปเข้าใจกันสับสนนะ ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นทรงอยู่สลายตัวเกิดขึ้นทรงอยู่สลายตัวนี่กิริยาแห่งความทุกข์สิ่งนี้แหละมันเป็นทุกข์ของกฎธรรมชาติและมนุษย์ทั้งหลายจะไปห้ามสิ่งนี้แหละจะไม่ให้มันเป็นไปในทางที่ตัวไม่ชอบจะให้มันเป็นไปในทางที่ตัวชอบแต่เสร็จแล้วมันหาได้แยแสต่ออํานาจของเราไม่ ในเมื่อเราอยากไปแยมันเข้ามันขัดใจเราเราก็เกิดโทมนัสน้อยใจเราก็เกิดทุกข์อ้าวลูกเต่าลูกหลานเกิดมากำลังน่ารักน่าใครโยโ ย, โย่มันก็ล้มหายตายจากไปทีนี้พอเราไปยึดว่าเป็นลูกเราหลานเราเราก็เสียใจในเมื่อเสียใจแล้วเราก็เกิดทุกข์แต่ไอ้หนูน้อยนะ่ะมันไปอย่างไรมันก็ไปตามกฎของกรรมละสิมันมาทวงนี่เรานิดหน่อย พอมันได้นี่มันแล้วมันก็หนีไปพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายใครเป็นพ่อเป็นแม่ใครใคก็อยากได้ลูกได้เต้าลูกเต้าที่มาเกิดกับเรานี่แหละคือลูกนี้คือเจ้าหนี้เราละเราสร้างการนสร้างเวรต่อเนื่องกันมาเช่นอย่างลกูกหลานบางคนนี่มาเกิดแล้วมาเก็บกระสอบกระแสออดแอดแอดเลี้ยงยากเสียแต่เงินแต่ทองนั่นแหละเจ้าหนี้รายใหญ่ของเรา มันไม่ย่างนี้เด้อเคยได้ยินจําคําเทศหลวงตาเพ่งได้หรือเปล่าหลวงตาเพ่งเทศว่ามีเด็กน้อยคนหนึ่งมันมาเกิดกับพ่อกับแม่มันพอมันอายุห้าขวบมันเห็นชาวบ้านเขาเป่าแคนมันก็อยากเป่ามันขอเงินพ่อมันบาทดึงพ่อมันไม่ให้พ่อมันบอกว่าเจ้ายังไม่ใหญ่ไม่โตอย่าเพิ่มเป่าเลยโยมาภายหลังอายุมันได้สิบห้าปีมันขอหยีทีไดง พ่อมันก็เพรว่ายังไม่ใหญ่เต็มที่จะเพิ่งเป่ามันเกิดตอนใจตายพอตายแล้วมันก็ไปเกิดไปอยู่กับพ่อกับแม่มันอยู่ในเมืองผีแล้วมันก็เล่าให้แม่มันฟังว่าอิตาเนี่ยหมอเนี่ยมันมันใจโหดเที่ยมมันเป็นนี่เราบาทเดียวเราไปทวงมันไม่ให้เลยเจอมันที่ไหนจะฆ่ามันทิ้งพอเสร็จแล้วภายหลังมานี่เจ้าพ่อนี่ก็โกรรนคิดถึงลูกถึงเต้าโศกเศร้าเสียใจ โยมาบันหนึ่งตาผ้าขาวคนหนึ่งไม่ทราบว่ามาจากไหนมาถามว่าเจ้าอยากเห็นลูกเจ้าเหรออยากเห็นเอา้าถ้าอย่างนั้นหลับตาซะข้าจะพาไปพอหลับตาครับก็ไปถึงเมืองผีพอไปก็ไปเจอแม่มันแต่ไอหมูน้อยนะมันหนีออกไปทุลงราค่างหรอกพอไปถามหาไอเจ้าลูกชายที่มาเกิดกับเราเนี่ยแม่มันก็บอกว่าโอ้ยไอนี่มันใจโหดเท่มนะมันว่าเจ้าเป็นนี้มันบาทเดียวมันไปทวงเจ้าไม่ให้มัน มันเจอเจ้าที่นั้นมันจะฆ่าเจ้าได้เดี๋ยวมันก็จะกลับมาแล้วมันไปทุลักทุงนอกเจ้าไปอยนไอ้สุมขังไก่ไปเขาก็เอาสุมคขังไก่ในครอบเอาไว้สักพักหนึ่งไอ้หนูน้อยมันก็มาแม่มันก็บอกว่าพ่อเจ้าในเมืองมนุษย์มาเยี่ยมเออไหนเรามันอยู่ไหนเราจะฆ่ามันทิ้งออไอ้นี่มันใจโหดเทียมเป็นนี่เราแล้วไปทวงมันไม่ให้เลยอ๋อพ่อก็ได้ยินกับหูพอกลับมาลูกเพราะมันเป็นอย่างนี้เนาะสักพักหนึ่งก็หนีไป อีตาผ้าขาวก็มามาไปกลับบ้านเจ้วเถอะหลับตาแคบเดียวก็ถึงบ้านอันนี้การเทศหลวงตาเพลงเทศให้ฟังจำมาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นโลกเจ้าทั้งหลายที่มาเกิดกับเราเนี่ยคือเจ้าหนี้รายใหญ่ของเราละเพราะฉะนั้นใครๆก็ตามในเมื่อเขามาเกิดกับเราแล้วดีมันก็คือของเราไม่ดีมันก็คือของเราประครับประครองมันไป ใครมีครอบครัวไปด่าภรรยาว่าไม่ดีตัวเองนะนะั่นแหละไม่ดีอยากเอาคนไม่ดีมาเป็นเมียภรรยาคนใดด่าสามีว่าไม่ดีตัวเองนะนะั่นนหะไม่ดีอยากจะเอาคนไม่ดีมาเป็นสามีตัวเองเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามาร่วมสุขร่วมทุกข์กันแล้วเราก็ต้องประครับประคองกันดีก็ของเราชั่วก็ของเราไม่ใช่ว่าจะเก็บเอาแต่สิ่งดีโดยไม่ไประคับประคองกัน ทำอะไรผิดทลาดนิดหน่อยก็ไล่หนีตีส่งอย่างนี้ยมันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สําคัญที่สุดซึ่งเป็นหลักที่เราควรจะยึดถือพระพุทธเจ้าสอนให้เราสร้างความรักความเมตตาปราณีต่อกันมีอะไรเป็นหลักฐานมีศีลห้าข้อพระองค์จะสั่งว่าจะฆ่ากันนะอย่าเบียดเบียนกันอย่าขมแหงกันอย่ารังแกกันอย่าอิดช้าตาร้อนกัน ให้ทุกคนนึกเสมอว่าขอเพื่อนมนุษย์เราจงมีความสุขกายสุขใจอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยทั้งปวงเถิดอันนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้เราจะเอาดีกับพระพุทธเจ้าจะเอาไงเราก็ต้องเอาอย่างนี้สิพระพุทธเจ้าข่าไม่เป็นเราอย่าไปข่าพระพุทธเจ้าลักขโมยชอบโกงไม่เป็นเราอย่าไปทําพระพุทธเจ้าไม่ไปขโมยลูกขโมยเมียใคร พโมอยไม่เป็นเราก็อย่าไปทําสิเราพระเจ้าโกหกหลอกลวงใครไม่เป็นเราอย่าไปโกหกหลอกลวงเราพระเจ้าไม่อิจฉาตาร้อนใครเราก็เอาอย่างท่านสิถ้าเราจะเอาดีกับท่านในเมื่อเราเป็นลูกศิษย์ของครูที่ไม่เชื่อฟังครูเราจะเอาดีได้อย่างไรอันนี้ขอฝากญาติโยมทั้งหลายไปคิดดูอ่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันนี้วิกฤตการของพระศาสนานี่ มีอันเปลี่ยนแปลงไปทุกระยะเพราะฉะนั้นจุดเดินของชาวพุทธอยู่ที่พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ทางปฏิบัติ บ, ต บ, ท, บทสวดบนอิติปิโสสวากขาโตสุ ป, ปฏิปันโนจเจริญพรหมวิหารแผ่เมตตาภาวนาโพธิ์โทให้โพธิ์โทเข้าถึงจิตอันนี้เป็นจุดเดินของชาวพุทธใครจะว่าอย่างไรเราเอาอันนี้ไว้ก่อน หากว่ามีใครเข้ามาว่าภาวนาพธิ์โทไม่ดีอย่างนั้นจึงดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ไม่ดีแล้วอย่าไปเชื่อคนภาวนาไม่เป็นถ้าคนภาวนาเป็นแล้วจะเอาคัมไหนมาบริกรรมภาวนาจิตเต้นสมาธิได้ทั้งนั้นหลวงพ่อได้ทดสอบมาแล้วที่วัดว่าผู้แก้วนักเรียนฝ่ายหนึ่งเป็นชาวคริสฝ่ายหนึ่งเป็นชาวพุทธชาวคริสให้มันภาวนาเยซูชาวพุทธภาวนาพธิ์โทเด็กทั้งสองฝ่ายจิตสงบนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเหมือนกัน เคอเจ็บมันได้สมาธิเพราะสมาธิมีหนึ่งเดียวเป็นสัจธรรมมันจะต่างกันแต่วิธีการกับคำบริกรรมภาวนาหรืออารมณ์จิตเท่านั้นเมื่อเราตั้งใจจริงทำจริงเอาชีวิตเข้าแลกก็ได้นั่นเราย่อมจะประสบผลสำเร็จเอาละวันนี้ขอบรรยายธรรมะพอเป็นเครื่องประดิษฐ์ประดับสติปันดาของท่านทั้งหลาย <c oughs> ก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาในท้ายที่สุดนี้เรามาบำเพ็ญฟองการกุศลเพื่อบูชาพระคุณของพระบุรภาาจารย์ขอให้สํารวมจิตสํารวมใจระมวนมาซึ่งบุญกุศลที่เราบำเพ็ญมาแล้วทั้งในอดีตและปัจจุบันน้อมถวายเป็นเครื่องสการะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ ขอบารมีของครูบาอาจารย์จงคุ้มครองปกป้องเจตใจของพวกเราให้ดำลงมั่นอยู่ด้วยความมีสติสัมปชัญญะบรรลุถึงสภาวะที่รู้ตื่นเบิกบานนิพพานปัจโยโหตุจงเป็นอุปนิสัยปัจใจแก่พระนิพพานในปัจจุบันและอนาคตการเบื้องหน้านโน้น โดยนัยะดังบรายายมาเอวังก็มีด้วยปากาละชนิด